ทำบุญทำทานการกุศลต่างๆในโลกนี้นะถ้าขาดศีลเป็นเครื่องประกอบแล้วบุญกุศลของผู้นั้นก็ไม่เจริญงอกงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับบุคคลปลูกพืชลงในดินที่ไม่ปฏิบัติไม่ดูแลไม่ขจัดศัตรูพืช ด, ดังกล่าวมานั้นก็ก็เช่นนั้นเนอะืม <c oughs> ดังนั้นเนะ่ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ถึงสามประการนอกจากให้ทานรักษาสินแล้วประสำคัญที่ภาวนานี่ต่อการภาวนานี่มันเป็นการทำละกิเลสบาปธรรมออกจากใจโดยตรงพรากกิเลสก็ดีบาปธรรมต่างๆก็ดีก็ใจเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นเป็นผู้ยึดเอาไว้ ไม่ใช่ว่ามันมันเกิดอยู่ที่อื่นกิเลสบาปประธรรมนั่นนะมันเกิดขึ้นที่ใจของคนเนี่ยตั้งอยู่ที่ใจนั่นเมื่อไม่ภาวนาไม่สำรวมใจให้สงบลงก่อนไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้ละมันจะไปลากกิเลสบาปประรรมนั้นได้อย่างไรอะ่ะเพราะว่าใจตกเป็นท่าของกิเลสอยู่กวดแกงไปมาเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นนะ มันจะมีกําลังไปละกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั่นได้อย่างไรล่ะลองคิดดูให้ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้ น, เ, นเมื่อเข้าใจเหตุผลดังนี้แล้วก็จะพากันประมาทตั้งอกตั้งใจภาวนาฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปจริงๆ พึกใจให้ตั้งมั่นต่อพระกรรมฐานเรามีพระกรรมฐานอันรหนึ่งเป็นอารมณ์ก็เป็นที่รู้รู้กันอยู่แล้วนะเหมือนอย่างวัคค์ที่จะเดินข้ามสะพานาไม่ลำเดียวอย่างนี้นะมันก็ต้องมีราวจับถ้าหอกว่าไม่มีราวจับแล้วเดิน ไปตามไม้ลำเดียวเนี่ยย่อมรับรองไม่ได้เลยว่าจะไม่ตกสะพานนะเผลอแล้วก็ตกลงไปท้องห้วยฐานทีเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยลุกคนผู้ที่จะมาทำใจให้สงบพ่านนี้ถ้าหาว่าไม่ยึดเอากรร ม, มาฐานอันใดหนึ่งเป็นอารมณ์ท่าน น, นี้นั้น จิตจะตั้งมั่นไม่ได้เลยดังนั้นให้เพิ่งเข้าใจการตั้งสติเห่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนับว่าเป็นราวสำหรับให้จิตมันยึดเหนี่ยวไว้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะว่า <c oughs> จิตนี่มันย่อมคิดสายไปมานี่โดยอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่แหละแต่มันคิดสายไปสายมาอยู่นี่นะมันวิ่งออกมาตามลมหายใจเข้าออกนี่นะความคิดเนะี่ยให้เข้าใจทีนี้พอเรามาดักทางมันนะเอาสติเข้าไปเพ่งกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเอยูนั่นนะความคิดของจิตนั่นก่อ โผล่ออกมาไม่ค่อยได้เลยวันนี้นั่นเองมันจะค่อยหยุดคิดลงไปถึงมันไม่หยุดสะงักลงทีเดียวจะด้ออกความคิดนั้นมันก็สั้นเข้าสั้นเข้าโดยลําดับมันเป็นอย่างนั้นให้ให้สังเกตดูผู้ใดทําผู้นั้นจึงรู้นะเรื่องหมุนี้นะไม่ทําไม่รู้หรอกผู้ใดทําลงไปแล้วมันรู้เองแหละวันนี้เมื่อรู้ได้มันก็มั่นใจนะ่ะ ก็ไม่ต้องสงสัยลังเลนเลนยบางคนก็ว่าเพ่งลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแต่ทำไมจิตมันไม่อยู่ก็ยังเพ่งไม่พอเหตุร ท, รที่มันไม่อยู่นั้นนะต้องเพ่งให้มากๆต้องทำให้มากต้องทำบ่อยๆแม้ว่าไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตาม ยืนอยู่ก็าตามเดินไปก็าตามนอนอยู่ก็าตามก็ต้องสำรวจลมหายใจเข้าออกเสมอไปสำรวจลมหายใจเข้าออกพร้อมกับจิตหายใจเข้าไปกำหนดรู้ว่าจิตตั้งอยู่อย่างไรหายใจออกมาจิตตั้งอยู่อย่างไรจิตยึดถืออารมณ์อะไรเรื่องอะไรนี่กำหนดรู้ อยู่เสมอหรือว่าจิตไม่ยึดถื อ, อเรื่องอะไรก็ให้รู้ <c oughs> อย่างนี้แหละคำว่าการเพ่งลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่าจะมาเพ่งอยู่แต่เวลานั่งภาวนาเท่านั้นไม่ใช่เราต้องเพ่งเรื่อยไปต้องกรวดการเรื่อยไปจิตนี่นะไม่อย่างนั้นแลมันก็หลงนี่ มันก็หลงมันก็เมาความคิดตัวเองแหละวันนี้นะตัวเองคิดเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่ไม่รู้ตัวคนหลงอะ่ะเป็นอย่างนั้นเลยต่อเมื่อใดได้มาเพ่งลมหายใจเข้าออกจกนจนนานี้ํานานอย่างที่ว่านี่แล้วพอจิตคิดเผลอคิดอะไรไปหน่อยหนึ่งมันก็รู้ตัวได้เลยเออนี่ผิดทางแล้วมันก็รู้ พอรู้มังก็รีบตั้งสติกำหนดละความคิดอันนั้นทันทีจิตก็เป็นปกติอยู่ได้อ น, นี้เมื่อเพ่งลมหายใจเข้าออกทำนานอย่างนั้นใจตั้งลงได้ดนี้ก็จึงได้เพ่งกรรมฐานอย่างอื่นถ้าผู้ราคะจริตเป็นผู้รักสวยรักงามมากอย่างนี้นะ ก็ต้องเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้แบบนี้นะนั่นเนี่ยให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครกโสปกตามสภาพความจริงเมื่ออุกหะนิมิตคืออัตุภันิมิตอันนั้นปรากฏในจิตเขี่ยมแจ้งเข้าไปแล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้วแบบนี้นะเออจริงเนี่ยร่างกายอันนี้ โทก็ปกจริงๆเมื่อเวลาที่ยังไม่ตายนี่มันก็โทก็ปกอยู่แล้วถ้าเราไม่อาบนา้ำสะเก็ดวันลองดูมันจะส่งกลิ่นเหม็นคุ้งออกไปทั่วเลยนะร่างกายอันนี้ทีนี้ผู้เป็นโทสัจจริตอย่างนี้ก็พยายามเจริญเมตตาให้มากๆเมื่อตนควบคุมจิตได้แล้วนะ ก็นึกถึงเมต่านั่นนะ่ะหมายความว่านึกถึงสรรพสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่มีคุณและไม่มีคุณนะให้เกิดความรักความเอ็นดูขึ้นมาในใจว่าโอ้สัตว์โลกทั้งหลายนี่นะทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูนี่ก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั่นหนอใครเกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มี แล้วสัางคนต่างก็ต้องการความสุขเบื่อหน่ายต่อความทุกข์เหมือนกันเช่นเดียวกับเรานี่แหละเราฉันใดคนอื่นเขาก็ฉันนั้นแหละไอ้ที่เขาดุร้ายบอกเขาไม่ดีบอกมู น, นั้นก็เพราะเหตุว่าเขาก็ยังละ ก, กิเลสไม่ได้เขาก็ยังไม่มีปัญญาที่จะละ ก, กิเลสนั้นเหตุนั้นเขาก็ต้องประพฤติไปตามกิเลสของเขาก่อน ต่อเมื่อเขาได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเขาก็อาจจะละความชั่วเหล่านั้นได้ในภายหลังแม้ตัวเขาตัวเองนี่ก็ยังละกิเลตบางอย่างไม่ได้ละได้แต่เป็นบางอย่างเท่านั้นดังนั้นเราควรให้อภัยต่อกันและกันไม่ควรผูกโกรธูกขยาบาทกันสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะ มันก็เลยมีเห็นใจผู้อื่นได้เลยวันนี้นะเมื่อเราคิดอย่างนี้เนะเออจริงเลยวันนี้ อ, อืเมื่อเป็นเช่นนี้เราใครแสดงกิริยาไม่ดีไม่งามต่อมาเราก็นึกได้เลยว่าเออีเขายัางตกเป็นทาสของกิเลสอันนี้อยอู่เราควรให้อาภัยไปแต่มันก็ให้อาภัยไปมันก็ไม่โกรธตอบ อ, อืมนี่แหละ ผู้เป็นโทศาสะจริตต้องมันเจริญเมตตายานี้บ่อยๆเข้าไปนะความโกรธนั้นมันก็เบาบางลงไปเมื่อเมตตาธรรมบังเกิดขึ้นอย่างว่านั้นแล้วจิตมันก็สงบลงได้เพราะอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธนั้นมันดับไปใจมันก็รวมลงได้เลยบัด น, นี้นะถ้าหากว่าอารมณ์นั้นยังไม่ดับแล้วจิตจะรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้ ผู้ที่เป็นโมหะจริตเช่นนี้นั่นก็หมายความว่ามันมีความหลงมาแต่กำเนิดตูแต่ชาติก่อนๆมาก็หลงเรียกว่าเป็นคนหลงคนเมาไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรสุดแล้วแต่กิเลสตัณหามันจะจูงใจให้ไปทำอย่างไรพูดอย่างไรก็ทำไปพูดไป เอากิเลสมันจูงใจไปให้ทำบุญก็ทำบุญไปบ้างกิเลสมันจูงไปให้ทำชั่วกว็ทำชั่วไปไม่ค่อยมีสติห้ามความประพฤติ ท, ทางกายวาจาใจมักจะมีความเห็นผิดไปจากทำนองครองทามักจะสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษโมนี้นะลักษณะแห่งคนหลงนะ่ะก็เมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้ว ก็พยายามศึกษาเราเรียนวิชาความรู้เขา้าไอ้ทางโลกก็เรียนทางธรรมก็เรียนไอ้ผู้ที่เป็นนักบวชก็ผ่านความรู้ในทางโลกมาแล้วบัด น, นี้ตนยังไม่ทานาในความรู้ในทางธรรมเราพยายามท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็เมื่อ สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าบทใดบาทใดก็ไปถามท่านผู้รู้ท่านจะได้อธิบายให้ฟังก็จะหายสงสัยก็จะมีปัญญาเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆความหลงนั่นก็ค่อยเบาบางไปแถ ม, ดมได้มาในนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปทำใจสงบระ ง, ง, งับลงอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจะ หายความหลงออกไปเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วมันก็มองเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ไม่น่ายึดไม่น่าถือเอามาเป็นตัวเป็นตนไม่น่ายินดีไม่น่ากาหนัดอพอใจแล้วก็ไม่น่าเกลียดชังเพราะว่ามัน ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยจะไปเกลียดชังทำไมอ่ะเป็นแต่สภาวะธาตุดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็พลอยก็วางลงไปความหลงอันละเอียดแล้วออมมันก็ค่อยระงับดับไปเป็นอย่างนี้แหละเรื่องการภาวนา เป็นเครื่องขจัดความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งออกจากจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วคอยพึ่งพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอุตส่าพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่หนึ่งก็จะพ้นทุกข์พ้นภัยไปโดยลำดับดังกล่าวมา